โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุทธานีสาแสดงธรรมในวันที่11กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าเนื้อเหตุผล วันนี้เป็นวันที่ส1บอดกันยายนพุทธศักราช2558วันพรุ่งนี้เป็นวันพระเดือนเก้าดับนะพี่น้องลูกหลานใส่บัตรรอบสาลาข้างนอกฮะสาลาใหญ่ออกไปฉันข้างนอกวันพรุ่งนี้แล้วก็ให้ประกาศสี่หมู่บ้านสายการบิน <aff le> สายการบินเนี่ยบินอะไรหลวงพ่อบินทบาทสายการบินของเราสี่สายให้บอกพี่น้องประชาชนพระจะไม่บินทบาทวันพรุงนี้จะมาบินทบาทที่สาลาใหญ่ให้พี่น้องจทหายาโดโยมลูกหลานมาใส่บาตรที่วัด for, oh วันพุงนี้และวันอุโบสถเป็นวัน ที่สิบสามมรืนเป็นมนุโบสดของพระให้พระบอกกันตอนเที่ยงจะได้คอยกันให้ทั่วถึงเป็นการบอกล่วงหน้าแล้วก็เดือนสิบแผ่น ต่อไปเป็นอีก15วันนะอีก15วันนะเป็นวันเดือน10บแผ่เป็นวันเข้าฉลา ก, กพัด น, นั่นก็เป็นบุญบินทบาทรอบชาลาเหมือนกันนะทุกราช น, นะวันที่12เป็นวันทำบุญข้าวประดับดินแล้วก็เดือนเก้าดับเดือน10บแผ่น เป็นวันทำบุญข้าวฉลากกพัดทางอีสานเหนือของพวกเรานะ <c oughs> ถือเป็นประเพณีและก็บินธบัตรรอบสลาอีกเป็นครั้งที่สองในพรรษาแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือวันปวารณาออกพรรษาวันนั้นก็บินธบัตรรอบสลาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็เป็นวันกรินแต่ไน <c oughs> 8, ธธเป็นวันกระถินกับวันที่แปดพฤศจิกายนเป็นวันกรถินเป็นวันที่ว่าพระบิณฑบาตรอบศาลาในช่วงระยะใกล้ๆนี่ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้ทราบเพรานพระที่เกี่ยวข้องช่วยๆกันคิดอยาให้หลวงพ่อได้บอกถึงวันแล้วก็จัดการตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหะ อันนี้คือมันเกี่ยวข้องกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมในท้องถิ่นในหมู่บ้านของเราถ้าเราไม่บอกไม่กล่าวถึงวันแล้วก็ชาวบ้านจะรู้เพราะชาวบ้านเขามีภาระธุระมากมายที่เขาจะคิดเพราะนัเราเป็นฝ่ายพระสงฆ์เราก็บอก้องต้องบอกแนะนําบอกกล่าวให้ผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นผู้นํา ผู้นำชุมชนเขาก็จะประกาศตามสายของหมู่บ้านของเขาถ้าเราปฏิบัติถูกมันง่ายแต่ถ้ามันปฏิบัติไม่ถูกมันยุ่งยากยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่รู้เรื่องอะไรตัวไม่อะไรไม่รู้จักกระทังหน้าที่ของตนเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานหน้าที่ของเราคืออะไรเราทําหน้าที่อะไรเขาม อ, อบหมายให้ทําหน้าที่อะไร ขนาดเข้าไปทำหน้าที่ยังไม่รู้จักหน้าที่อีกอยังทะเลาะกันในหน้าที่อีกหักเล่หักเหลี่ยมกันอีกในหน้าที่นั้นวันนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราเป็นพระในพระพุทธศาสนาให้รู้จักหน้าที่ของตนเองเราควรทำอย่างไร เราก็ามาบวชในพุทธศาสนาเราควรทําตนอย่างไรถ้าทําแบบฆราวาสเขาก็ไม่ใช่ไม่ถูกถ้าเหมือนทําแบบฆราวาสเราจะมาบวชทําไมเราก็เป็นฆราวาสไม่ดีเหรอเรายังมาบวชทําไมในเมื่อเรามาเป็นพระเราก็ทําหน้าที่อย่างพระพระมีกฎระเบียบอย่างไรกฎระเบียบตั้งแต่วันบวช พระอุปชาสอนอยังไงต่อมาอาจารย์สอนอยังไงหลวงพ่อสอนอยังไงพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำในในกลุ่มของพวกเราพระสงฆ์ผ่าปฏิบัติตนอย่างไรไม่ต้องขึ้นทำมาดจะก่อนยังค่อยสอนกันไม่ใช่ตาดูหูฟังใจสำเนียจใจต้องคิดว่า อันไหนเป็นอันไหนถูกหรือผิดอย่างไรนี่นะ่ะผู้เข้ามาศึกษาผู้เข้ามาศึกษาต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเว้นเสียต่ไปเข้าไปแล้วกันะขวางไปเรื่อยซื้อบื้อไปเรื่อยอันนั้นไม่ใช่ผู้มาศึกษามาขวางหมู่ขวางเพื่อนขวางวัดปาศาสานาขวางครูบาอาจารย์แต่ขวางครูบาอาจารย์ไม่นะั่นจะไปขวางหลวงตามหาบวช พอดูแล้วขวางสายหูสายตาท่านท่า น, นัท่านฟันชั่วทีเดียวเลยนะแต่หลวงพ่ออิงของเรายังปานิประนอมอยู่ยังมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแต่หวงตามหาบัวนะท่านไม่ได้มองมากถ้าผิดคือมันมาทำใหม่หนักวัดหนัก ที่เราไม่ใช่ว่าเราจะอดขนสอนนะถ้าถ้าสอนใครไม่ได้จะเ ร, เราจะสอนตนเองแต่ไปสอนทาไมถ้าสอนไม่ได้มาขวางทาไมหนีอันนี้ก็คือแนวความของหลวงตาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังก็เป็นแนวเป็นแนวความคิดไม่ใช่ว่าเล่าไปที่ไหนนยครูบาอาจารย์ไปอยู่ที่ไหน เอาไปแล้วก็นั่นอนะ่ะกูบาอาจารย์เขพยายามสอนอยู่อย่างนั้นนะไม่ใช่นะเอ่ไม่ใช่แนวะปฏิปทาสายหลวงปู่มั่นถ้าหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นทำไมลนะ่ะเอาเข้ามาตั้งใจไหมถ้าตั้งใจแล้วเอเอจะสอนอถ้าไม่ตั้งใจจะมาขวางเนละยจะมาอยู่นะออยู่ให้หนักวัดนะอยู่ขวางนะหนีนะออแผ่นดินมันอดลหร จะมาอยู่ทําไมอยู่ทําไมอยู่ที่นี่ไปอยู่ที่อื่นแผ่นดินมันแคบไหมใช่ไหมไม่มีที่ไปแล้วใช่ไหมถ้าอยู่ที่นี่ต้องวางตัวยังไง ร, รู้ไหมมองไหมเห็นใครเห็นเขาไหมเห็นการเป็นอยู่ของหมู่พกเพื่อนไหมเราสอนอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้คือแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาที่หลวงพ่อได้ศึกษามานะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็มามาเล่ามาพูดให้พระลูกพระหลานคณะจตหายาดโยมฟังเพื่อเป็นบทเรียนเพื่อการศึกษาเรียนรู้ว่าครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเนี่ยสายหลวงปู่มั่นท่านวางหมาดยังไงในการแนะนําสั่งสอนสิทธิานุสิต ท, ท่านสอนตนท่านสอนยังไงท่านบอกว่าท่านสอนตนท่านสอนมาแล้วอดนอนผ่อนอาหาร <c oughs> อดนอนผ่อนอาหารนั่งภาวนาเราทำมาแล้วเรารู้แล้วอะไรเป็นอะไรเราจึงนำมาสอนไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเรียนรู้จะเลยแลวจะนำมาสอนให้พวกท่านทั้งหลายจะไปรู้จักวิธียังไง น, นี่เราสอนเราแล้วเราจึงนำมาสอนพวกท่านทั้งหลายถ้าพวกท่านทั้งหลาย ไม่อยากจะมาเรียนรู้ไม่อยากจะมาให้รับการสอนของเราเนะี่ยมาทําไมไมาอยู่ทําไมนี่แหละมันก็เหตุผลของหลวงตาเนะี่ยมันอยู่ในเหตุผลของท่านทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราไม่เข้ามาศึกษาเราจะไปอยู่ทําไมจะไม่ล่ะเราจะมาทําไมเนี่ย แต่เมื่อเรามาศึกษาเรามั่นใจแล้วถือว่าเป็นครูบาอาจารนยะ์เราจึงอยู่นะอยู่เขาเพื่อการศึกษาท่านก็นจะได้สอนวิธีการให้ เ, เรื่องนักบังเรื่องเบ้าบ้างเรื่องคดีโรกคดีธรรมคดีโลกก็คือการเป็นอยู่กับชุมชนสังคมตั้งแต่สององค์ขึ้นไปเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเราอยู่ในกลุ่มใน ห, หมู่ในคณะเราควรจะทาตนอย่างไร เราควรคิดยังไงพูดยังไงทํำยังไงทํำยังไงคิดยังไงอในเรื่องการเป็นอยู่ในละทธิว่าพวกเราทําถูกตามแนวแถวนี่ยนะอยู่ที่ไหนก็ไม่ขวางเขาเลยท่านเยร่มเย็นเป็นทุกทั้งหมดทุกวันเนี่ยมันโลกขวางโลกอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเนี่ยนะอมันมีที่รับมันมีที่แจ้งต่อหน้ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ข้างหลังนัะเออ มันเอาความชั่วเข้าไปอันไหนตัวเองจะชนะเขาตัวไหนอันไหนที่เราจะได้เปรียบเขาเนะนี่ยนะเหมือนกับคนอื่นเขาโง่งไปทั้งหมดแต่พ่อเขารู้เรื่องเข้ามาเลยท่านเนน่ยนะเกมทันเกมเข้ามาแล้วยท่านเอาละท่านเนเออเกิดโมโหโกหาขึ้นมานะ่ะสู้ข้างล่างมานเลยก็สู้บนดินละมัะนะ <c oughs> นั่นแหละกิเลสมันเป็นอย่างงั้นนะ่ลกูกพวกเราท่านทั้งหลาย อย่ามาเกิดดีที่สุดในโลกเนะี่ยมันกิเลสมันมีมากมายหลา ย, ลยอย่างเหลือเกินแต่จะเอาชนะกิเลสมันมายากเอาชนะกิเลสคนอื่นน่ะมันยากต้องเอาชนะกิเลสภายในใจของเรานะะั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าท่านเอาชนะกิเลสภายในพระไทยของพระองค์แล้วอจากนั้นเนะ่ะพระเทวทัศน์กิเลสพระเทวทัศน์ปล่อยออกมา มันมีแต่ปะทะปะทางปะทะปะทังไว้เท่านั้นเองจะทํำยังไงได้เพราะกิเลสของเขาแต่กิเลสของเรานะั้ไม่มีนะตัดออหมดแล้วชาระแล้วแต่กิเลสเทวทัศนะ์มันรว่เรื่องอะไรต่อไม่อะไรไมันไม่ใช่แต่ก็กิเลสเทวทัศน์อง์เดียวยังหาสมักพักพวกก็มาอีกมาถล่มอีกผลที่สุดก็กิเลสก็แพ้ทำอีกเหมือนกัน แพ้หลักเขตผลผลที่สุดกว่าแต่กว่าที่จะแพ้ได้กว่าที่จะชนะได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกันบาน่านเพียงพั้มไปพอสมควรทางฝ่ายชนะนี่ก็แต่ใช่พระองค์พระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวเพราะท่านหมดกิเลสแล้วแต่ลูกน้องบริวาร น, นส่สิผู้รอบอยู่รอบข้างพระพุทธเจ้าน่สิ สถานวันไหวพอาุกสมควรพราะกิเลสพวกอื่นเขาตีเข้ามาไม่รู้จะเอาไม้ไหนจะรับไม้ไหนแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมันไม่วันไหวเพราะให้ได้ท่านเอาชนะใจของท่านได้แล้วท่านไม่จมองกิเลสคนอื่นโลภความโลภโลภอยากจะเป็นหัวหน้าโลภอยากจะเป็นใหญ่มักใหญ่ไฟสูง อ, อพอโลภไปแล้วก็โกรธ จะพยายามพ ย, พยาพยามพยายามพยายามพยายามบาดอาฆาตอย่างไรจะเอาชนะมันให้ได้โกรธเพราะมันหลงหลงว่าตัวเองจะไม่ตายคิดว่าจะอยู่โช่ฟ้าดินฉลายตายไม่เป็นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสรุปแล้วก็คือความโง่ทั้งหมดเรื่องกิเลสนี่นะกิเลสสรุปลงไปแล้วก็คือความโง่มันโง่ซะก่อนเมื่อเจียงโลบมันโง่ซะก่อนเมื่อเจีงโกรธ มันโง่สะก่อนมันจึงหลงอสรุปแล้วก็คือความโง่ภายในใจของของกิเลสของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นนะมันจึงได้ทําออกมาลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ดูนะดูความโง่ภายในใจของเราดูใจของเราใจของเรามันมันเป็นยังไงถ้าจิตไหนจิตช่วงไหนที่ไม่มีเหตุมีผลโมโหโกธานนจิตของเราโง่ช่วงนั้นนะ แต่ชดใจตาจิตใจของเราแจ่มใสดูแล้วมีเหตุมีผลกันกรองไตรตรองเรื่องราวต่างๆเอออันนั้นแปลว่าใจของเราปันมีปัญญาเริ่มใช้ปัญญาเพราะนั้นให้พวกเราอย่าไปดูคนอื่นนะด้านดูคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากยุ่งเหยิงวุนว่นวายให้ดูตนเองนะดูใจของตนเองดูเจ้าของ จากนั้นก็ปรปับปรุงกายวาจาใจของเราถึงยังไงจะชัว่วจะดียังไงก็เป็นเรื่องของคนอื่นเลอพอมาถึงโค้งสุดท้ายคือเรื่องมรรคเรื่องผลนะมันเรื่องของตัวเองแต่แทนะ้นชะตาญาติโยกรูกหลานทุกองนะทุกคนนะ อ, อัตหิอัตโนนาทโถ จ, จริงๆหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอนะตัดกิเลสพระพุทธเจ้าเพราะบําเพ็ญม า, มามากมายมหาศาล ที่ว่าจะยกโลกทั้งโลกออกไปแต่พอเอาเข้าจริงๆวันเดือนหกเพนเพระองค์ตัดรู้ตัดกิเลสภายในใจภายในพระไทยของพระองค์เท่านั้นเองเนะี่ยพระองค์ได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดช่องน้อยแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเองเนยะพอจะเอาจริงๆนะอไม่ได้แค่ว่ารวมกันมาแล้วก็ตัดกิเลสไม่ใช่อันนั้นมีแต่แนะนําเท่านั้นเองจะฟังหรือไม่ฟั ง, ไ ม, ฟงไม่ฟังก็ไม่เป็นไร ไม่ฟังก็ทิ้งไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไอ้พวกที่ฟังก็เอเออ่าได้บรรลุมรรคผลนิพพานเฮีที่ได้ฟังได้สอนเข้าใจเอาไปไอ้พวกที่ไม่ เ, เข้าใจไม่ยอมเข้าใจเอาปล่อยให้ศาสนาของพระสีระยะเมตโย ต, ต่อไปถึงแบบพระสีระยะเมตโยรับไปได้อีกอา้าวส่งไปอีกต่อไปอีกเนี่นี่แหละ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาะอุกติตันญูวิปติจันญูเนยยะปทะปรมะเนะี่ยอุกติตัญญูพูดรู้ได้เร็ววิปติจันญูรูล้ลองลงมาเนยยะนะแปลว่าพอที่จะสอนกันได้ปทะปรมะนะไม่ยอมฟังใครเลยมันมีอยู่นะ ในหลักธรรมคำสอนในพระบาลีท่านพูดอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพวกเราจะเป็นขั้นไหนถึงอย่างไงคนให้เป็นเนยยะก็แล้วกันนะอย่างพอพูดพอมีเหตุมีผลพอฟังกันได้อันนี้เหตุนะอันนี้ผลนะอันนี้ถูกต้องนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะพวกเราก็น่าจะฟังฟังเหตุฟังผลฟั ง, ฟงแนวความคิดแล้วก็อย่างพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราอีกทีหนึ่ง แต่ไม่ใช่เราจะเชื่อทั้งหมดนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกอย่าไปเชื่อที่เดียวนะลูกหลานนะต้องใช้ปัญญานะการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลถ้าหากว่าฟังแล้วมีเหตุผลหาคำแย้งไม่ได้เออใช่อันนี้อย่างที่หลวงพ่อได้นำธรรมคำําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกต่อให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันหลวงพ่อกานกรองดูแล้วการก้องด้วยสติด้วยปัญญาของหลวงพ่อนะ ทุกขลอบพิจารณาดูทุกขลอบอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยหลวงพ่อเห็นอืาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลจริงๆมีหลักมีเหตุมีผลหลวงพ่อจะแนะนํำทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเห็นว่าดีที่สุดแล้วเอามาแนะนําสั่งสอนพวกเราต่ออีกออแต่พวกเราฟังดูแล้วมันหลวงพ่ออินเ อ, อ คล้ายๆก็ว่าชาตินิยมรถนิยมพุทธนิยมอาจารย์นิยมเกินไปหรือเปล่าคล้ายๆว่าหัวอ่อนเกินไปหรือเปล่ายังไปเชื่ออย่างนั้นพวกเราที่หัวแข็งจะนำมาพิจารณาอีกการกรองไต่ตองอีกในเพื่อพวกเราท่านทั้งหลายเออใช่ที่หลวงพ่อพูดของเราพูดมาเลยหาที่คานไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ถูกต้องเอา ถ้าเราไม่ยอมรับก็คงโง่อีกเหมือนกันนะเพราะอะไรเราไม่ยอมรับเหตุผลจะเป็นคนดีได้อย่างไรเราก็โง่อีกเมื่อเรายอมรับเอื้อชยัยที่หลวงพ่อของเราพูดมาให้ฟังเนี่ยถูกต้องเรายอมรับได้เราก็จะเป็นผู้เฉลียวฉลาดต่อไปภายภาคหน้าอีกเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้คิดนําไม่ได้พิจารณาเลยรับมาเลยก็เชื่อไปเลยไม่ไดนะ้โง่อีกประเภทหนึ่งอีกเหมือนกันนะแต่ก็ดีกว่า ดีกว่าปฏิเสธดีกว่าขันหลังให้ดีกว่าดันทุหลังแต่ยังไงก็ดีกว่าดันทุกหลังเชื่อไว้ก่อนเอชื่อบุคคลที่ควรเชื่อเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อท่านคงไม่หลอกเราท่านคงไม่โกหกเราเพราะท่านเจตนาดีกับพวกเราเราเชื่อไว้ก่อนแล้วเราค่อยนํามากันกลองต่อภายหลังในเมื่อเรามากันกลองต่อภายหลังเอ้ยใช่หลวงพ่อเราไม่ไมน่าพูดอย่างนี้ว่าตรงนี้ ข้าไม่เห็นด้วยข่าข้องใจเอา เ, เอาไว้ก่อนท่านคงจะมีเหตุผลของท่านอนอกเหตุนอกเหตุเ ห, เหนือผลก็คงจะมีจุกรมัก อ, อย่างเนรน้อยสอนพระโพธิลัตนะอาจารย์ให้เข้าป่าเลยสิเนี่ยเข้าป่าเนี่ยก็ไม่ได้บอกเหตุผลให้เข้าป่าอาจารย์เลยเอาเนรน้อยให้เข้าป่าก็เข้าป่า เ, เดินเข้าไปในป่าอาจารย์เอาออกมาจ้ะ พอไปเห็นสาหน้ําอาจารย์ลงน้ำเลยอาจารย์เขาบัณฑิถามมาให้เนรนน้อยให้ผมลงน้ํำทําไมให้อาจารย์ลงน้ํำทำไมเอเนรนน้อยสั่งให้ลงน้ําก็ลงน้ำํำพอผ้าจีวรจะเปียกอาจารย์รยันขึ้นมาขึ้นมาอืออาจารย์เนี่ยเราสั่งอะไรเราสอนอะไรคงจะเชื่อทั้งหมดว่านี่แหละนอกเหตเหนือผลเลยเนะนี่ยท่าในใจของสัมเนธน้อยนะี่ยท่านคิดอะไร ท่านจึงให้พระอาจารย์พระเทระโปธิรัตเข้าเดินเข้าไปในป่าอแล้วก็ให้เดินลงไปในน้าําอแต่พระรหัยถึงจะเป็นเนดน้อยก็ต้เป็นพระหรหัอท่านรู้อแต่ท่านก็ไม่ได้ให้เหตุผลโปธิรัตท่ทานพระโพธิรัตพระเทระแต่ให้บอก เ, เดินเข้าป่าพระโปทิรัตท่านก็เชื่อเนรน้อยเดินเข้าป่าเนรน้อยทําอะไร เออเนน้อยเดินลงน้ำกว่าเดินเดินลงไปในน้ําแต่พ่อผ้าจะเปียกท้าขึ้นมาขึ้นมาเอา่อจากนั้นเนน้อยก็เห็นว่าเอออาจารย์เชื่อเราทั้งหมดเลยเราบอกให้เราทำอะไรทําได้ทั้งหมดบัดนี้คงจะเชื่อเราแต่ทําไม่เชื่อเราเราจะไม่สอนนะขนาดนั้นนะเนน้อยพระรหันไม่ใช่ธรรมดานะถ้าไม่เชื่อเราเราจะไม่สอนไหนวิชา สอนทำไมสอนคนไม่เชื่ออพอสอนก็ตาลอยพระทังอื่นโอ้หูทวนลมไปเลยจะไปสอนทําไมเปล่าประโยชน์เหนื่อยเพราะฉะนั้นที่เราบอกให้ทำเนี่ยทำไดนะ้จะแดงว่าอาจารย์เชื่อเราเอาก็าไปก็ไปหาที่นั่งไปหาที่นั่งในร่มดีๆที่มีม้านั่งดีๆแล้วก็อาจารย์เด่นน้อกก็สอนเราอาจารย์ ที่ผมจะบอกจะกล่าวให้ฟังให้จานสังเกตนะให้ตั้งใจให้นิ่งเลยสังเกตดูที่ผมจะบอกจะสอนผมจะอุปมาให้ฟังมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งจอมปลวกใหญ่ยจอมปลวกหนึ่งแต่ในจอมปลวกนั้นมีรูอยู่5้ารูแต่พวกรูที่ลงรูที่หน่รูดักรูดัก อยู่ในจอมปลวกเพราะนั้นมีเฮี้ยใหญ่ตัวหนึ่งคือตัวเงินตัวทองนะตัวเฮี้ยตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวกนั่นนะ่ะแล้วมันก็ออกมาออกมาหากินของมันนะแต่ลนะรูออกมาในในรูจอมปลวกของมันแต่เสร็จแล้วมันกักกลับเข้าไปก็ไปอยู่ในรูดักของมั น, นะนะอาจารย์พอเข้าใจไหมที่ผมพูด อาจารย์ก็ได้เรียนพระไตรปิฎกจบพระไตรปิฎกมาแล้วใช่ไหมใช่เข้าใจเข้าใจสัมมเดชเข้าใจอ่าปะไปพิจารณาจับตัวเฮียให้ได้นะอาจารย์นะจับตัวเฮียให้ได้นะครับเท่านั้นแหละก็แยกย้ายกันพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระคันทกกูดีเนี่ยท่านเห็นพระโทีิรัตเนี่ยกำลังเป็นนั่งสมาธิกำลังจะจับตัวเหียใช่ไหมละ่ะ ผูกก้องค์แพรัชมีมาถ้าก็เทศให้พระโพธิลัตฟังอไตรลักษณ์อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนี้โหลดมาท่านได้สาเร็จเป็นพระหรหันในในอาชนะนั้นเลยอที่เป็นสมณรเป็นที่กุยหมายป้ายทางแต่พระองค์ต่อยอด <c oughs> ต่อยอดให้พระเถระเพราะพระเถระท่านนีนะ้เมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระาราหันแล้วนะ่ะท่านจะเป็นกําลังหลักเป็นกําลังหลักท่านหนึ่ง แต่ทีนี้ท่านได้ปริยัติอย่างเดียวท่านไม่ได้ปฏิบัติแต่เมื่อท่านได้ปฏิบัติ ด, ด้วยท่านได้เป็นพระหรหันต์ด้วยทั้งปริยัติ ด, ด้วยนะจะเป็นกําลังหลักอย่างมากในพระพุทธศาสนาพนะระพุทธองค์ท่านมองเห็นแล้วนะท่านก็ต่อยอดนะโปริรัฐท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์แต่ฉานในปฏิสัมพิทายานอีกต่างหากทนะีนี้สัมมเนนที่ว่าสมมเนนสอนสอนว่ายังไงโตเฮียอยู่ในจอมปลวกนะ จอมปวกเน่เหมือนกับร่างกายนะนะโปรดท่านอาจารย์นะท่านไม่ได้บอกนะเพราะท่านเรียนรู้แ้จอมปวกคืออะไรคือร่างกายรูรูที่ออกมาหากินคือเหี้ยตัว น, นั้ น, นออกมาทางตาตาไปเห็นรูปไปเห็นสิ่งที่สวยงามเกิดกิเลสลาคะท่าว่า เห็นเขาทากับกิริยาให้ไม่พอใจเกิดกิเลสโทสะโมโกลให้เขาเ อ, อ, อย่างพวก เ, เขาถมน้าลายต่อหน้าบางังทําตาเขียวบงังอ อ, อย่างเนี้ยเที่ตาเราไปเห็นะออมีมากมายที่คนโมโ ห, โหให้กันใช่ไหมตาไปเห็นเขาน่ะเขาทํากับกิริยาไม่พอใจกับเราเ อ, อเราก็โมโหให้เขาเท่านละเขาเห็น กับกิริยาตาเยิ้มใส่เราเยิ้มใส่เรา เ, เราก็เกิดกิเลสราคะขึ้นมาเนี่ี่แหละทัานกิเลสราคะท่านกิเลสโทสะทั้งกิเ ล, าาเลทโทสเลโมหนะเมื่อตาไปเห็นรูปนะไปเห็นไปเห็นสิ่งต่างๆในหูของเราก็เหมือนกันเหี้ยตอนนั้นออกไปทางหูเถอะนี่้อาอะไรยินเสียงขับกล่อมเสียงเพลาะเสียงวาจาึ้นมาจ้าจ า, ากันมาเอเยอะไปทางกิเลสนะ แต่ถ้าว่าอีฮอบักฮอด่าเข้าไปเออเฮียตัวนั้นก็โมโหขึ้นมาบัดเนี่ยเพราะความโกรธได้ยินทางหูใช่ไหมล่ะแต่เขาด่าเลยถ้าเขาด่ามองดูนะเขาก็ดาด่าด่าอย่างทำท่าเฉยๆด่าเราเนี่ยถ้าคนหูตึงนะทำไม่ได้ยินทางหูแล้วก็เฉยเหมือนกันนะคนไม่รับรู้ใช่ไหม อแต่ว่าคนหูดีเนี่ยเขาด่าเข้ามาท่านมันเข้าทางหูท่านนะมันก็เทือนถึงใจเลยท่านเอยนี่แหละเฮี้ยตัวนี้มันออกไปรับทางตาแล้วก็ทางหูแล้วก็ทางจมูกทางลิ้นอสัมผัสทางกายก็เหมือนกันจิเย็นร้อนอ่อนแข็งอ่อนนุ่มที่อ่อนนั่งนอนสบายนี่นแหละอันนี้คือสัมผัสทางกายแต่มันก็ส่งเข้าไปหาตัวเฮี้ยคือตัว ตัวใจทั้งหมดตัวเหียมันก็อยู่ข้างในมันดูในรูดักมันดักอยู่นั่นน่นคือตัวนา ม, มาธรรมตัวใจเนะี่ยเดี๋ยวก็โผล่ออกมาทางตาเดี๋ยวก็โผล่ออกมาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันยุ่งอยู่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติเลยเว้นไหเว้นเสียแต่นอนหลับสนิทอย่างที่องค์หลวงตาพูดถ้าหลับสนิไไทแปลว่าเฮียมนอนฮะเฮียมันนอนเฮะเอะถ้ามันพอมันขยับพอเหียตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละ มันจะต้องออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะให้พวกเราสังเกตนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยให้พวกเราสังเกตให้ใช้ปัญญาอันนี้คือแนวแถวของพุท ธ, ธะสรุปแล้วก็คือให้จับตัวเหี้ยให้ได้อย่าให้มันกระดุกกระดิกนะบีบคันคอมันลงกับพื้นดินเลยถ้ามันอยู่เน่งเลยอย่าให้มันกระดุกกระดิกจากนั้นก็ไหนนะ มันจะออกไปทางทำไมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้เป็นเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นเป็นไตรักทั้งหมดใช้จะสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นสัมมาสมาธิเป็นประโยชสานใช้มรรคาปฏิปทาของพระพุทธเจ้ากําจัดกิเลสภายในใจนั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดนะลูกหลานทั้งหลายนะเอาตอบ น, นี้ไปรับพร